วันข้างหน้าจะเอาความรู้ไปให้คนทั้งบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มีเพื่อนดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ ช่วยสั่งสอนทราบเส้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความพาดภูจากรั้วม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกัน ขอนั้นแห่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนน่าทำ น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัง สู้ความรุงเรืองทั่วกันดังคูต้นโตสู้แดดผนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนา คุณธรรมน้อมนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่อง รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับมาพบกับรายการทันโลกทันเหตุการณ์กนะับรายการนี้ก็เสนอทาง fm 1 0ึ5เมกเฮิร์ตนะครับกนะนะ็นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังติดตามสถานการณ์โควิดนะครับนะซึ่งในส่วนนี้ก็ยังมีการผู้ป่วยในพุ่งสูงอยู่เหมือนกันนะครับนะใน วันที่21เมษายนในสบครายงานสถานการณ์ผู้ป่วยพุ่งสูง2อ0 0 0่รายแล้วก็ปอดอักเสบกว่า 2,000 รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น129ารายแล้วก็ติดเชื้อเข้าไข้เอทีเคสองอ่ารยยรายนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็ซึ่ง ก็คงจะต้องมีการเร่งในการที่จะดูแลรักษากันกันโดยด่วนเลยทีเดียวตอนนี้เรามีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เนี่ยประมาณ1ล้าน8 0 8 2 0 0 0กว่ารายนะครับแต่ซึ่งก็เป็นเป็นยอดที่ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องอเร่งในการที่จะป้องกันดูแลรักษา นะครับนะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบนะซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 2,211 รายนะก็เฉลี่ยแล้วจังหวัดละ26รายนะอัตราการคองเตียงก็ประมาณ1 2 5ละ25นะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ ก, ก็ก็คงจะต้องดูแลกันต่อไปก็ถ้าในส่วนของปอดอักเสบนี่ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสละครับแนตะ่พยายามจะให้ ให้เป็นหลายคนก็บอกว่าก็ต้องระมัดระวังโดยสวมแมสอยู่ตลอดเวลานะครับนะในการที่จะดูแลตัวเองให้ใหดีนะครับนะแล้วก็มีระยะห่างนะครับนะแล้วก็ไม่ไปในที่ที่ผู้คนแออัดนะครับเพาว่าผู้คนแออัดนี่ก็จ ะ, ะทําให้เสี่ยงต่อกันต่อกันติดนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องคงจะต้องดูนะครับในส่วนนี้นะครับนะเพราะหลายๆส่วนนี่ก็ พยายามที่จะช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องดูในหลายส่วนนะครับในหลายส่วนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่เขาเรียกว่าป้องกันควบคุมให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเจวันนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ ผ่านพ้นในช่วงของหลังสงการกันมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีมีการมีป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับนายนิรัตพงศ์สิทธิ์ทิวรนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานด้านสาธารณาภัยเนี่ยก็บอกว่าศูนย์อำนวยการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะช่วงเทศกาลสงการก็ มีการรายงานนะครับด่าว่าสถิติอุบัติเหตุถนนประจำวันที่17นะครับในวันที่17เจ็ดเมษายนเนี่นะครับมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตวิถีใหม่คับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะก็บอกว่าในช่วง17เจ็ดนี้เกิดอุบัติเหตุ188ครั้งบาดเจ็บร7 1คนผู้เสียชีวิต71บเรายนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถเร็วเกินไปดื่มดื่มสุรายาเมาในขณะครับรถขับดานะครับนะแล้วก็อุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถมอเตอร์ไซค์และครับนะแล้วกล็ลงมาก็คือปิกอัพแล้วก็ถนนส่วนใหญ่ก็เกิดบนถนนของกรมทางหลวงนะถนนในหมู่บ้านสำหรัตรงนี้นี่คงจะต้องเฝ้าระวังกันนะครับนะพอะนั้ น, นี้เกิดอุบัติเหตุกันมากก็สูญเสียกัน มากเลยทีเดียวนะครับสรุปสรุปแล้วอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยสะสมเจวันตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนก็เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 1,869 ัรบคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตประมาณ278ลรายนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ สะสมสูงสุดก็ได้แก่เชียงรายแหละครับนะจำนวน66ครั้งนะนะจังหวัดที่มีนะผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่ลอกลงมานะี่ก็มี63มี63คนนะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็ได้แก่กทมมีอยู่สิบายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแหละครับในการพยายามที่จะป้องกันแล้วแต่ว่าก็ยังตัวเลขก็ยัง สูงอยู่นะครับนะเพราะฉันตรงนี้เนะี่ยคงจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 สัจจานิเนรษัพระพุทธชิตาสัพพโซ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 ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วย mm hmm. บาปที่ใครทำเ mm hmm. จ็บที่เคยโดนให้พ้นความสศกพานะที่ยังลมป่วยพ่อรวย โปรดช่วยนํทางครับมาพูดกันต่อนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของอมีการ โลดตอนนี้เราลงเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนี่กำลังดังนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในชัยนครชัยนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะก็กล่าวถึงกรณีที่มินลี่หรือนางสาวนานุภาคณาธีละกุลและเปิร์สาวชื่อดังก็ขึ้นสแสดงในเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลกนะโคเชล่าซึ่งที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็มีการโชว์ การกินข้าวเหนียวมะม่วงนะเ่งการทำให้เป็นขา่าวนะดังกันไปทั่วโลกส่งผลให้ชาวต่างชาตนะิที่มาชมนะคอนเสิร์ตก็สนใจลครับมานะสั่งซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกันนะครับนะก็ทำให้ยอดขายสูงขึ้นก็เกิดปรากฏการณ์เดียวกับที่ Lisa, ลิซ่าล่นนางสาวและลิซามโนบาลวงแ c k คพิงค์ชาวบุรีรัมพ์พูดถึงการยืนทุกชิ้นยินกินที่บุรีรัม์ก็ทาให ลูกชิ้นยืนกินขายดีขึ้นมานะซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเหมือนกับที่เกาหลีเขาทานะครับนะก็ลนั้งลงทำให้ตอนนี้ในยอดขายของข้าวเหนียวมะม่วงในแต่ละจังหวัดนี้ขายดีนะครับนะขายดีมากขึ้นเลยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเราควรจะต้องมีการส่งเสริมซึ่งในส่วนนี้ก็บหลายส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะส่งเสริมแล้วก็จะเตรียม จะเสนอชื่อในส่วนของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับก็จะให้ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ทําให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านี่ขายข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยดีนะครับถ้าเราไปตามตลาดถนนคนเดินต่างๆนะครับนะเราจะเห็นนะครับนะว่า มีผลต่อยอดขายมากเลยทีเดียวเราควรจะต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นี่ให้ให้มากนะครับนะเพื่อที่จะให้ในส่วนของศิลปินของเราเนี่ยออกไปแสดงต่างประเทศนะรัฐบาลก็ควรจะมีทุนสนับสนุนก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะเราจะเห็นว่ า, าเรามีนักร้องมีศิลปินที่เก่งๆหลายคนเลยทีเดียวถ้าถ้าจะสนับสนุนก็จะจะดีมากนะครับนะในส่วนของ สาธารณสุขีตอนนี้เนี่เตรียมที่จะมีการเสนอผ่อนคลายมาตรการนะครับในอนุทินชาญวิกุลรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกด้วยนะก็บอกว่าจะเสนอที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่22เมษายนนี่ก็คือจะผ่อนคลายให้ในส่วนของคนที่เดินทางจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยนี่ไม่ต้องตรวจทีพ c r แต่ให้เปลี่ยนเป็น ไปไปตรวจเอทเคแทนมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็จะทําให้นักท่องเทีย่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในบ้านเรามากขึ้นนะคือก็จะทําให้ในส่วนของนักท่องเที่ยวเข้ามามาบ้านมากขึ้นก็จะทำเศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนดียิ่งขึ้นนะครับพยายามที่จะต้องมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนีได้มาทํามาหากินนะนะกระทบะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เนี่ย ในส่วนนี้รองนายกีจะเสนอเราก็ต้องดูนะครับนะในวันถุกสุขที่22เมษายนนี้ว่าอาจจะมีมาตรการ อ, าอื่นๆออกมาหรือไม่นะครับนะเพราะในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องพยายามที่จะมีการควบคุมแต่ว่าในส่วนของการทามาค้าขายเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะที่ไทยเรานี่ต้องพึ่งกับต่างชาติกันมากเนี่ยก็คงจะต้องอพยายามที่จะ พัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับนะเพราะไม่เช่นนั้นนี่เศรษฐกิจหยุดนิ่งนี่ก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของปากท้องในที่สุดนะเพราะันตรงนี้นี่ไทยเราคงจะต้องคิดตรงนี้นะครับนะาทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวนี่กลับมาเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตหรือเชียงใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ เป็นประเด็นหลักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้เราคงจะต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมรางรถไฟนะที่เราจะเชื่อมเส้นทางกับลาวนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ลาวมีรถไฟความเร็วสูงนะเชื่อมไปถึงจีนนะเราจะต้องไปเชื่อมส่งผลไม้ไปที่จีนนี่เราจะไปเส้นทางไหนนะครับจะเข้าไปทางลาวไปเวียดนามหรือจะออกทาง ทางคุณหมิงทางยุนาเนี่ยคงจะต้องพยายามนะที่จะต้องเชื่อมเส้นทางอาจจะต้องพัฒนารถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงความเร็วรกลางหรือไม่นะครับที่จะไปเชื่อมตรงนั้นนะก็ต้องเป็นโจทย์ที่ต้องเร่งดําเนินการนะครับแตนะ่พอเราเนี่ยก็เริ่มขยับตัวไปไปไกลกว่าไทยแล้วนะครับนะเราพยายามที่จะเชื่อมไปทางเวียดนาะมเชื่อมไปทางจีนนะก็จะเป็นการระบายสินค้าเพราะฉะนั้นนี่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 คำว่าหัางเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับไพ่มันบ่อสงคัญมันที่อยู่ตรงนั้นบ่อหายตามการเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใดในหัวใจเพาะเคยร่างราเย็นจนจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเ้าต่อกัน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 บ่มีอยังมาพังทลายความมันนุ่งซ้องลงได้แม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหากที่แลกด้วยแหกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดรา้าวสิเข้ามาเสริมบอกใครคิด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 จนได้ชาติไหนก็รอเธอบ่มีี้ยังมาพังทลาย แม่ดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหาทีแลกด้วยแห่กดฟ้าจึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดรา้าวสิเข้ามาริมบอกครคิดยานในวันนี้ เจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เขาตามหาเป็นยังคือบอสมใจให้ค้องท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ขอเพียงแค่เธอจำาันได้